มี้ก็กลายออกพรรษาแล้วหรือไม่อยังไม่กี่วันเท่านั้นวันนี้แต่ ม, มาจะพูดเรื่องการทําบุญก็แล้วกันเพราะคนเราเนี่ยบางคนก็ทําบุญไม่ค่อยถูกวิธีคือยังมีความเข้าใจเรื่องการทําบุญคลาดเคลื่อนการทําบุญไม่ได้เจาะจงเฉพาะการถวายของให้พระเท่านั้นยังมีวิธีอื่นอีกต้องสิบวิธีเดี๋ยวทำไมาจะแจกแจงให้ฟัง ทานะไมยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานให้ทานก็คือให้สิ่งของให้วัตถุทานช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอาจจะเป็นผู้แบบประสบ อ, อุทกภยัยน้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟไหม้หรืออยู่ในที่กันดาลภัยหนาวบางทีคนรวยมีฐานะหน่อยก็ร่วมกันบริจาคผ้าหม อาหารต่างๆเพื่อช่วยเหลือเพื่อรวมโลกแล้วก็บางครั้งก็ตักบาตรพระทาบุญให้แก่ขอทานก็ส่งเคาะในในหมวดนี้แล้วก็มีอีกวิธีอีกสองวิธีก็คือการให้ธรรมทานการให้ธรรมทานคือให้ธรรมะให้คนพ้นจากความหลงผิด หรือไม่ก็ให้ความรู้กับเด็กเยาวชนอันนี้คือการให้ธรรมทานแล้ววิธีที่สามก็คือให้อภัยทานซึ่งวิธีที่ทำได้ยากหน่อยการให้อภัยทานเนี่ยเราโกรธเกลียดใครผูกพยาบาทอาฆาตหรือไม่ชอบที่หน้ า, าถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องแหอภัยถ้าไม่แหอภัยเนี่ยเราจะทุกข์เขาจะนั่งในหัวใจเราตลอด การให้พยาทานเนี่ยถ้าทำได้ชีวิตเราก็จะมีความสุขแล้วก็บุญข้อที่สองศีลละไม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลซึ่งข้อนี้ชาวพุทธส่วนมากจะเข้าใจกันอยู่แล้วพอรับศีลกันแต่รับแล้วไม่ค่อยได้ปฏิบัติบางทีพระนิมนต์พระไปสวดมนต์ตามบ้านเวลาพายศีลเสร็จก็กินเหล้าต่อ คือฟังหูซ้ายทะลุหูขวาสินก็เลยไม่ค่อยช่วยอะไรเราเพราะเราไม่ได้เป็นบัตรตามถ้าเรารักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสิลข้อนี้จะคุ้มครองเราแล้วก็เป็นหลักประกันชีวิตทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นสินข้อที่สองคือไม่รักทรัพย์ข้อนี้ก็ข้อนี้ก็ดีคือว่าการรักทรัพย์ นี่หมายถึงไม่ใช่หมา ย, มายถึงรับควมวอย่างเดียวนะหมายถึงช่อโกงด้วยคอร์รัปชันอันนี้ก็ถือว่ารักทรัพย์เหมือนกันแต่เป็นการรักทรัพย์ที่ฉลาดแม่ให้คนจับได้การรักทรัพย์จึงมีหลายรูปแบบการโกงก็ถือเป็นการรักทรัพย์เอาเป็นประโยชน์ของตนซึ่งข้อนี้ชาวพุทธไม่ควรทําควรพึงพอใจในสิ่งตัวเองมีอยู่ถ้าเราทําข้อนี้ได้ข้อนี้ก็เป็นการ เหมือนเป็นหลักประกันทรัพย์สินสินข้อที่สามไม่ผิดรูปผิดมียาคนอื่นคือไม่ล่วงละเมิดสินข้อนี้ถ้ารักษาได้ก็เป็นหลักประกันครอบครัวถ้าครอบครัวเรามีความสุขสินข้อที่สี่ไม่โกหกซึ่งคนเราทั่วไปมักจะโกหกเพื่อผลประโยชน์ตัวเองถ้าเรารักษาได้นะเราก็กลายเป็นคนมีสัจจะผูดอะคนก็เชื่อถือคนสมัยก่อนเนี่ย ไม่จําเป็นต้องเซ็นชื่ออะไรด้วยถ้ายืมของปากเปล่าเขาค่อยยืมและเชื่อเครดิตซึ่งกันและกันไม่ต้องมีทําสัญญของยยาอะไรจะสมัยนี้ไม่ได้ขนาดไม่ทํายังโกงเลยบางทีกเช็คเด้งบ้างชอโกงดื้อๆซึ่งสมัยก่อนคนสมัยก่อนก็อาศัยคําพูดคําเดียวแหละยืมแล้วว่าคืนอาศัยเครดิตซึ่งถ้ารักษาสินข้อนี้สินข้อนี้เป็นหลักปาการะกันสังคม การประกันเครดิตตัวเองสิ่งข้อที่ห้าเว้นจากสิ่งเสพติดสุรามีลายซึสิ่งสิ่งข้อนี้ไม่ได้แค่ห้ามกินเหล้าอย่างเดียวนะการดูหลีก็ถือว่าผิดศีลด้วยก็ถือเป็นพวกมั ช, ชยาบ้าเฮโรอีนกัญชาหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทก็รวมอยู่ในข้อนี้ถ้าเราเลิกได้สิ่งข้อนี้ก็จะเป็นหลักประกัน เป็นหลักประกันสุขภาพเพราะคนที่เสพติดเนี่ยมักจะสุขภาพไม่ดีทําให้ร่างกายซุดโทมเจ็บไข้ได้ป่วยสุบแล้วศีลห้าข้อเนี่ยข้อหนึ่งประกันชีวิตข้อที่สองประกันทรัพย์สินข้อที่สามประกันครอบครัวข้อที่สี่ประกันสังคมข้อที่ห้าประกันสุขภาพชาวพุทธก็ควรจะรักษาศีล บุญข้อที่สามภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาในบุญบุญสิบข้อเนี่ยข้อที่สาคัญที่สุดเลยการภาวนาก็มีสองแบบคือมีแบบสมถะภาวนาคือทำใจให้สงบแล้วก็จเจริญวิปัสสนาภาวนาคือพิจารณาเห็นโลกตาภาเป็นจริงคือพิจารณาปัญญาซึ่งข้อที่สำคัญมาก เพราะหัวใจผู้สารนาเนี่ยต้องการคนออกออกจากกองทุกซึ่งข้อที่สามารถทําให้คนทะลุไปถึงมรรคผลนิพพานได้แต่เป็นข้อทีล่ลงทุนสูงมากบางคนต้องภาวนาทั้งชีวิตเลยบางคนเนี่ยรู้แต่ทฤษฎีไม่เคยภาวนาหรือไม่เคยปฏิบัติเนี่ยเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาจะสะเทือนใจมากแล้วก็จะรับไม่ได้อย่างที่เจอลูกตายผัวตายเมียตายหรือญาติพี่น้องตาย หรือต้องเสียทับศีลแรงๆหนักๆเนี่ยบางคนแทบช็อกเลยแต่ถ้าเราภาวนาเกิดอะไรขึ้นมามันเหมือนที่เกาะป้องกันทำให้จิตใจเราเนี่ยไม่สะเทือนเท่าไหร่ถึงสะเทือนก็สะเทือนน้อยอธิบายจะเล่าดิถานให้ฟังดิถานอยู่เรื่องหนึ่งมีชายผู้ชายวัยกลางคนคนนึงชื่อว่าชื่อตาจันตาจันก็มีลูกชายอยู่คนเดียว ชื่อว่าแดงแกาอยู่ ใ, ใกล้วัดเป็นคนธรรมาธาโมเจ้าแดงเนื้ออายุประมาณเก้าขวบพอถึงช่วงปิดเทอมใหญ่ตาจันย์ก็อยากให้ลูกชายเป็นคนดีในเข้าว้เข้าวาอบรมนิสยัยจะได้เป็นเด็กดีไม่ดือ้อก็เลยเอามาฝากบวชเนรภาคฤดูร้อนซึ่งทางวัดก็รับไว้ แล้วก็บวชกันหลายคนพี่เลี้ยงหัวหน้าผ้าพี่เลี้ยงเนนท่าดูร้อนก็คือในที่นี้ก็ชื่อหลวงพี่โนตซึ่งหลวงพี่โน้ตก็รับผิดชอบอยู่แต่ฟาร์มที่เจ้าแดงเป็นเด็กที่ดื้อและโซนอยู่บาวันหนึ่งก็ทําบีท่าไหนก็รู้ก็โดนไฟดูดตายทีนี้ทางหลวงพี่โนศก็เอ๊ะทําไงเราจะแจ้งแจ้งจัดจา์ไม่ให้สะเทือนใจยังไงหาอุบาย พตจันเนี่ยมีลูกคนเดียวถ้าไปพูดไม่ดีเดี๋ยวกครช็อกตายไปอีกคนยุ่งเลยเป็นบาปเป็นกรรมสหาอุบายโอ้แต่หลวงพี่โน้ตคิดคิดมาได้ว่าพาจันเป็นคนนะฮะธรรมะธโมเราจะต้องอธรรมะออกหน้าแล้วเรื่องจริงตามหลังว่าแล้วก็เดินออกไปไปที่บ้านอาจันเลยอาจย์กลาลังมุงหลังคาบ้านอยู่หลวงพี่โน้ตไปถึงก็บอกว่าอาจันทำอะไรอยู่ มูลังคาครับหลวงพี่ทําไมต้องมุงด้วยล่ะอ๋อมันเก่าแล้วหลวงพี่ไม่รู้เหรอของในโลกเนี้ยพอใช้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็เก่าเสื่อมไปหลวงพี่นอย ก, ก็ถามว่าเอา้าเฉพาะสิของได้เหรอสิ่งมีชีวิตด้วยเปล่าแต่ก็เรียกลงมาคุยข้างล่างนะเพราะอยู่บนหลังคาอันตราย อาจารย์ก็บอกว่าทุกสิง่งเลแหละเมื่อเป็นคนหรือสัตว์เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ระดับไปทุก ท, ทุกสิ่งต้องมีการเสื่อมแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาหลวงพี่บวชม้่งนานแล้วไม่รู้เหรออ้าวอาจารย์แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดลูกโยมตายจะทำไง ผมก็เผาสิไม่เห็นยากๆแล้วเกิดอาลมาตายอ่ะผมก็ไปไปเผาให้แล้วถ้าเกิดอาจารย์เองตายละ่ะทําไงโอสบายมากหรืพี่ไม่ต้องห่วงผมหรอกญาติพี่น้องผมก็เผาเองไม่ต้องห่วงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกชีวิตต้องตายหมดหลูพี่โน้ตก็คิดเออตจาจันนี่เข้าท่าแครู้เรื่องนี้ดีเอาละ่ะเดี๋ยวจะบอกความจริงแล้ว ที่อารามามหาโยมวันนี้นะต้องการจะมาส่งข่าวเจ้าแดงเนี่ยลูกของโยมเนี่ยแกโดนไฟช็อตตายแล้วโยมว่าไงนี่เรื่องจริงนะอาจารย์นี่จากเมื่อกี้พูดไปพูดมาเป็นคนรู้ธรรมะเนี่ยชักเลยลงไปชักตาตั้งเพราะแกไม่ได้ปฏิบัติเี่ยจยามจากหนังสือมาสล้วาการการะทำกับคำพูดนี่ไม่เหมือนกันเวลาเกิดขึ้นจริงๆกับ คำพูดเนี่ยตรงข้ามกันเลยนะบางคนรู้จากหนังสือเนี่ยเวลาทุกข์เกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยแก้ไขไม่ได้หรอกเจอลมที่แรงๆใครมาด่าเราเนี่ยบางคนก็บอกบอกว่าเมตตาเบตาเมืเอเผอมีปงมีปืนยิงด้วยซ้ำเลยแล้วเรื่องนี้จะต้องทําให้ได้คําพูดเนี่ยตาพูดกับกับจิตใจเนี่ยไม่เหมือนกันฉนั้นต้องฝึกปฏิบัติพอเราฝึกปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนมีแบบ จิตเราเนี่ยจะไม่หวั่นไหวแล้วเกิดการสูญเสียเราก็รับได้ซึ่งการภาวนาที่สำคัญมากมีข้อปิยอดย่อยอีกมากอรรมา ก, ก็ยกยกข้ามประเด็นไปเพราะว่าเรื่องภาวนาเดี๋ยวให้จะสมใจแสดงในพรุ่งนี้ต่อเพราะท่านถนัดเรื่องนี้มากกว่าธมาธรมาจะพูดเล็กเบาๆแล้วก็ข้อที่สี่อัปจัยนามายัยบุญสำเร็จด้วยการอ่อนน้อมท่อมตนซึ่งข้อนี้ก็ไม่ควรมองข้าม เพราะว่าอย่างเราไปไปบิธบาศ ต, ตอนเช้าเนี่ยเราจะให้พรทุกวันเลยจัดตาโรธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขขังพลังพรสีประการคืออายุวันณาสุขขาพล ะ, ระย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติไหว้กราบและมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดสังเกตดีๆนะคนที่ไม่อ่อนน้อมเนี่ยหรือไม่เคารพผู้ใหญ่เนี่ยมักเจ้าดีไม่ได้ต่อให้เก่งแค่ไหนก็จะแฝงแววทรนงโอหังคือมีความรู้ท่วมหัวก็ตัวไม่รอด ซึ่งสู้คนที่ไม่เก่งไม่ได้คนไม่เก่งเนี่ยแต่มีนิสัยดีเคารพผู้ใหญ่ไม่ดือ้อเลวลาผู้ใหญ่ว่าอะไรเราก็ไม่เถียงเชื่อฟังท่านเคารพท่านอันนี้มักเก็บเอาตัวรอดเพราะคนเราเนี่ยฟังเก่งเราพัฒนาได้แต่นิสัยเลวพัฒนายากอนายกจะเล่าดีษฐานให้ฟังเรื่องนี้บุทาหอนก็มีมีที่แม่น้ำเจ้าพระยาตามชุนระบทแตา่แนอกเนี่ย มีชายเจาเรืออยู่คนหนึ่งลุงคนนี้ก็เจาเรือมาจนอายุเข้าสู่วัยแบบกลางคนละเกือบเกือบแก่แล้วยงเจาเรืออยู่รับเจเลเรือข้ามฟากครั้งละสิบบาทสิบบาทวันหนึ่งก็มีชายหนุ่มหน้าตาดีแต่งตัวภูมิฐานมาขอใช้บริการต้องการข้ามฟากไปฝั่งนู้นซึ่งชายคนนี้ พอขึ้นเรือปุ๊บแกก็ถามเลยขอโทษลุงลุงจบอะไรมาลุงจบปสีเองครับลุงรู้หรือเปล่าชีวิตลุงเนี่ยขาดทุนไปยี่สิบเอร์เซ็แล้วนะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมจบปริญญาโทมา จบบริหารมาด้วยคนเราสมัยนี้ต้องหาความรู้เพื่อความก้าวหน้าจะได้มีเกียรติในสังคมลุงขาดทุนไป 20% แล้วนะแล้วก็เจาเรือไปสักพักแล้วก็พายเรือไปเรื่อยสักพักหนึง่งเดี๋ยวก็ถามลุงอีกลุงเคยไปเที่ยวต่างประเทศหรือเปล่าโอ้ลุงไม่เคยเลยชีวิตลุงก็เห็นแต่นี่เนี่ยแม่น้ําสามันนอกท้องไร่ท้องนาแค่เนี้ย ลุงรู้เปล่าชีวิตลุงขาดทุนไปยีสอร์เ็นตะผมเนี่ยไปต่างประเทศมาต้องหลายประเทศไปเที่ยวเมืองนูน้นเมืองนี้มาพอเราไปเที่ยวต่างประเทศปุ๊บเราก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเห็นคนที่ว่าทันสมัยขาดไปทุนรวมมีเก่าด้วยลุงขาดทุนสี่ปอร์เซ็ต์แล้วนะตอนนี้ลุงก็เพาก็เจวเรือต่อไปพอสักพักหนึ่งชายหนุ่มนี่ก็ถามอีกลุงรู้จักคอมพิวเตอร์หรือเปล่า โอ้คอมพิวเตอร์ลุงไม่รู้จักหรอลุงเป็นคนบ้านนอกอย่รู้อะไรพ่อหนุม่มสมัยนี้ต้องรู้จักคอมพิวเตอร์นะลุงถ้าลุงไม่รู้เนี่ยลุงขาดทุนไปยี่สิบเปอร์เซ็นเพราะคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างนี้ก็มีกันทั่วบ้านทั่วเมืองสื่อสารที่ทันสมยัยไฮเทคคอมพิวเตอร์มือถือเนี่ยคนเขาก็ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองลุงลุงมีเก่าด้วยตอนนี้ลุงขาดทุนไปหกสิบเปอร์เซ็นต์ละ้าวลุงไม่ว่าอะไรก็พายเรือต่อไป สะพ่างชายหนุ่มก็ถามอีกลุงรู้จักเล่นหุ้นไหมโอ้ยลุงไม่รู้หรอกลุงอยู่บ้านนอกเล่นไปแต่หวยได้ดินไม่ไมเคยได้ยินเลยไม่รู้เรื่องหุ้นเพื่อนอะไรกันโอ้ลุงไม่รู้เรื่องอะไรเลยหุ้นพวกเศรษฐีก็เล่นกันลุงนี่เมื่อกี้หกสเอร์ซ็นแล้วตอนนี้ขาดทุนไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปปดสิปอร์เซ็นละลุงก็สีหน้าชักเซ็งเหมือนกันแต่ก็พายเรือไปเรื่อยๆตอนที่ถึงกลางแม่น้ำพอถึงกลางแม่น้ํำนี่ เพลินมีเรือหางยาววิ่งมาด้วยความเร็วสูงเลยขึ้นของเรือหางยาวเนี่ยก็ก็ทําเอาเรือแจวของลุงกับชายหนุ่มคนเนี้ยพลิกคว่ำเลยซึ่งตอนนี้ลุงก็หันไปถามชายหนุ่มไอ้หนุ่มเอ็งว่ายน้ําเป็นหรือเปล่าไม่เป็นครับลุงไม่เป็นช่วยด้วยตอนนี้ไอ้ขาดคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ละตัวใครตัวบอลโวยว่าแล้วก็จะก็ว่าย ขึ้นฝั่งไปชายหนุ่มที่ขี้คุยก็จมน้ําตายเพราะการที่คนเราไม่เครารพผู้ใหญ่หรือ ย, ยกตนข่มท่านเนี่ยถ้าชายหนุ่มคนนี้เจียมตัวหน่อยนะคิดว่าลุงคนนี้คงช่วยอยู่คนเราไม่ถึงอะไรน้ําใจกันหรอกแต่เราไปอวดเก่งข่มเหงน้ําใจเขาก่อนเขาต้องเป็นแบบนี้แหละการพื้อ่อนน้อมตนเนี่ยสําคัญมากอย่ามองข้ามบุญข้อ น, นี้แล้วเราจะเอาตัวรอดแล้วก็จะไปทางโลกและทางธรรม บอที่เราเจอครูบาอาจารย์แล้วก็เคารพท่านเชื่อฟังท่านเจอค น, คนที่ภาษาน้อยกว่าหรือเจอคนเด็กกว่าแล้วก็ให้เกียรติชีวิตเราก็มีความสุขไม่เคยมีศัตรูทํตามหน้าที่แล้วต่อมาข้อที่ห้าวัยามวัจจะไมบุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลือคนขวาย ข้อนี้เป็นข้อที่พวกเราทํำกันง่ายเพราะว่าการช่วยเหลือขนขวายเนี่ยคือถ้าเราทําให้เป็นนะเราได้บุญมากเลยข้อนี้อย่างผู้แม่ชีช่วยทําอาหารให้พระให้พะระรับประทานทําอาหารให้ส่วนรวมได้ทานกันเนี่ยอันนี้ก็ได้บุญมากถ้าเราทำเป็นเราก็สนุกขณะหั่นผักไปหั่นผักหรือว่าหยิบมุ้งหยิบนี่เนี่ยทําไปก็มีความสุขไปอย่างหลวงพระพุทธทาส ถ้าได้แต่งกรเกี่ยวกับําทำงานไว้หลายกรเลยล้ว๋ยมาจะท่องให้ฟังการงานนี้น่ารักอันที่จริงการงานนั้นน่ารักเมื่อยังไม่รู้จักก็ อ, อ่านขนางไม่รู้จักก็ปล่อยปะแล้วละวางบ้างร้องครางเมื่อรอหน้าว่าเบื่อจริงแต่ที่แท้การงานนั้นน่านรักสอนให้คนรู้จักไปทุกสิ่ง ถ้ายิ่งทมยิ่งฉลาดไม่พลาดยิงได้ตรงดิ่งสิ่งอุกิจคือจิตเจริญการงานนี้ดูให้ดีน่ารักเป็นการชักธรรมะมาน่าสรรเสริญคือมีสติฉันทะธรรมะเกินขันหยุดเพลินจิตกวางทางนิพพานที่จริงการงานก็น่ารักจริงๆอะ่ะอย่างบังคนทางานแล้วสนุกเห็นลายเห็นขยะเราก็เก็บเห็นใบไม้ลกเราก็กวาด เห็นอะไรไม่ดีเราก็ช่วยทางหมดห้องส้วมสปกปรกเราก็ไปล้างใครเข้ามาใช้บริการก็ชื่นใจซึ่งสามารถเอามาเจริญสติได้ด้วยการทำงานเนี่ยเราฝาดใบไม้ไปแล้วก็รู้สึกตัวขณะฝาดที่ฐานกายล้างจานไปก็รู้สึกตัวไปพอจานเกี้ยงปุ๊บเราก็เกิดปิติเราไม่ได้หาฝากสุขที่อื่นเลย การทํางานทุกอย่างถ้าระวังใจเป็นนะเป็นการปฏิบัติทําหมดคือได้ทั้งประโยชน์ตนเองและประโยชน์คนอื่นแต่เราทําไม่เป็นนะเราจะเกลียดงานอย่ า, พ า, างพระบางท่านเนี่ยอัตบาฯสังเกตอะเห็นกค่ตัวเอาเปียบเพื่อนซึ่งพวกนี้น่าสงสารมากเลยแต่บางคนก็ทําแหลกเหมือนกันเพราะคนเราเนี่ยจะมีพื้นนิสัยไม่เหมือนกัน บางคนเนี่ยไม่เห็นแค่ตัวก็ทํําทาเกินกว่าที่หน้าที่ซ้ำเขาทําแล้วเขามีความสุขช่วยเหลือส่วนรวมการช่วยเหลือส่วนสรวมนี่นะจะได้อันที่สองทันทีเลยไม่ต้องรอตายหรอกอย่างน้อยๆชุมชนนั้นก็รักเพื่อนก็รักอย่างแม่ชีนะถ้าเกิดโยมช่วยทํากับข้าวหรือเพื่อนแม่ชีด้วยกันก็รักแต่คนไหนเห็นแค่ตัวนะเพื่อนกาลังเกลียดแล้วไม่ชอบขี้หน้าอันนี้กรรมฉับพลันกรรมเดี๋ยวนี้ นั่งรอตอนตายพระก็เหมือนกันแล้วไปอยู่ที่ไหนคนก็รักหมดเขาอาแขนต้อนรับแต่ถ้าคนที้เกียรจเห็นแค่ตัวเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ก็มีแต่คนพูดว่าเมื่อไหร่มึงจะไปให้ทีคือสังคมลังเกียจอยู่ไหนก็มีความสุขทไหนก็ทุกข์ต้องเดือดร้อนเสมอซึ่งเรื่องนี้ทําง่ายแต่คนบางคนเห็นกค่ตัวหรือคุณมีอัตราจัดเนี่ยจะทํายากคนเราเนี่ยถ้าเลวที่ส่วนมากที่เลวเพราะดื้อร้านก็เพราะเพราะว่ า, วายึดถือตัวกูของกูนี่เอง การช่วยเหลือคนขวายเนี่ยไม่ไม่ใช่เพียงช่วยที่วัดเท่านั้นนะช่วยแบบในชุมชนที่เราอยู่ก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนบ้านช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเท่าที่เราช่วยได้แหละหรือที่ตัวเองไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเนี่ยช่วยไปเถอะช่วยแล้วดีแล้วต่อมาบุญข้อที 6, ่หกปฏิทานอะยบุญข้อนี้ก็คือแบ่งปันความดีให้คนอื่น แล้วก็อุทิศกุศลให้ซึ่งนี้เราก็แผ่เมตตาให้ทุกวันเวลาสวดมนต์เสร็จหรือเวลาทําความดีแล้วก็ให้คนอื่นมาทำความดีร่วมกับเราก็ได้หมุนข้อนี้ซึ่งข้อนี้ทําง่ายตั้งจิตเมตตาแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายที่มีทุกข์คอยผลจากทุกข์ที่มีสุขคอยสุขยิ่งขึ้นไปซึ่งถ้าทำํำบ่อยๆนะจิตใจเราก็อ่อนโยน จิตใจหายกระด้านกระเดืองซึ่งมีเมตตาต่อทุกทุกชีวิตสัมพัสสัตว์ที่เห็นมดตกน้ำํำเราก็ช่วยเอาขึ้นหรือเห็นสัตว์ถูกเบียดเบียนบางครั้งงูมักงูมากกินเคียดบ้างกบบ้างเราเห็นแล้วก็ช่วยไล่เขาหรือตุ๊กแกโดนงูลัดอย่างเงี้ยถ้าเราช่วยได้เราก็ช่วยเพราะเขาเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราทํำบ่อยๆเราก็มีความสุขคนอื่นก็มีความสุขด้วย ต่อมาก็บุญข้อที่เจ็ดปฏานุโมทนาใหม่ซึ่งข้อนี้อาตมาชอบนะเพราะทำง่ายแล้วคือพอยินดีกับพอยินดีแล้วก็อนุโมทนาบุญกับผู้อื่นบางทีเราอาจจะไม่ค่อยมีตังค์แต่เราเห็นคนทำความดีเนี่ยแล้วก็อนุโมทนาเขาตั้งจิตยินดีสาธุอ้าวเห็นใครทำความดีแล้วก็สาธุ อย่างบางคนเนี่ยเราทำงานไม่ไหวเห็นคนฝาดได้ไม้ทำพิาีศรัทธาแล้วก็โอ้อนุโมทนาสาธุเห็นใครปฏิบัติธรรมขยันหมั่นเพียรแล้วก็ตั้งจิตสาธุและนี่ทำง่ายเห็นใครทำดีความดีก็าสาธุเราไม่อิจฉาเราไม่ละแวงใ น, ในการทำความดีของคนนั้นซึ่เราตั้งจิตอย่างนี้ได้นะ ชีวเราก็มีความสุขเจออะไรก็ไปบุญไปหมดแหละขณะฟังทำเราก็ฟังด้วยความจินดีแล้วก็สาธุสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์เสร็จเราก็สาธุซึองข้อที่ทำง่ายทําตรงไหนก็ได้ใครมาทําบุญตักบาทเราเห็นแล้วก็สาธุแพวของมถวายหมู่สงเจ้าภาพถวายเยอะๆย่าเงี้ยเราเห็นแล้วก็ สาธุด้วยเราก็มีส่วนได้บุญกับเขาด้วยนะถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำจนเป็นทิ่สายเนี่ยเพื่อเผื่อได้ได้บุญมากคนทำด้วยนะถ้าคนทำทำไม่เป็นเนี่ยบุญไม่ค่อยได้หรอกมันจะได้กลายเป็นคำชื่นชมไปแทนแล้วทำเป็นจะได้บุญเต็มๆเลยคือวางใจเป็นนะ่ะแล้วต่อมาก็บุญข้อที่แปดทมัสสวนณมัยคือฟังธรรม แล้วก็สแสวงหาความรู้ต่างๆเพื่อใเราเนี่ยออกจากกองทุกข์เคยเห็นโลกตาความเป็นจริงการฟังธรรมเนี่ยจะมีอนิสงส์5อย่างถ้าเราฟังเป็นนะถ้าฟังไม่เป็นแม้ได้อนิสงส์เผยเป็นบาปด้วยอนิสงส์5อย่างก็คือ 1. ทําให้เราเนี่ยสามารถได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนข้อที่ 2. บางทีเราได้ยินได้ฟังมาแล้วเนี่ย ถ้าเราฟังใหม่เนี่ยเราเข้าใจแจ็บชัดยิ่งขึ้นแล้วก็ข้อที่สามเนี่ยโดยธรรมชาติคนเราจะขี้สงสัยสงสัยรูย้สงสัยนี่พอเราฟังทำเนี่ยบางทีผู้พูดอ่ะพูดไปโดนใจเราอ่ะเราก็ปิ้งพิมานทีเราหายสงสัยข้อที่สี่เนี่ยทําให้ควาเห็นให้ตรงเพราะบางคนเนี่ยจะมีความหลงผิดมากไม่ค่อยเชื่อบา บ, บุญคุณโทษแล้วก็ดูเรื่องอะไรเท่าไหร่พอฟังปุ๊บเนี่ย ถ้าเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วเราจะมีการใช้ชีวิตที่ถูกต้องรู้ว่าสิ่งนี้ทําแล้วเป็นกุศลสิ่งนี้ทําแล้วเป็นอกุศลคือจะเข้าใจและเข้าใจชีวิตมากขึ้นถ้าเกิดเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นเราก็พัฒนาตัวเองได้ซึ่งบางคนไม่ชอบฟังธรรมนะก็จะโง่เหมือนเดิมบางคนเนี่ยจะชอบอภิยมุกต่างๆคือธรรมะไม่เข้าหัวเลยซึ่งคนพวกนีจ้จะพัฒนาไม่ได้เลยบางคน คนที่เขาหยาบมากคือบัวบัวเหล่าที่สี่นี่พัฒนาไม่ได้การฟังธรรมเนี่ยแล้วข้อที่ห้าเนี่ยจิตขณะ ท, ที่ฟังเนี่ยก็จะผ่องใสถ้าตั้งใจฟังดีๆนะขณะนั้นเนี่ยมีวอก็ไม่ค่อยมารบกวนเราบางทีได้สมาธิด้วยแต่ถ้าเราฟังไม่เป็นเนี่ยจะได้บาปได้บาปยังไงบางทีเราก็ไปคุยกันแข่งกับพระที่เทศหรือไม่ก็ชวนเพื่อนคุยด้วยหรือไม่ก็ไม่สนใจในการฟัง บางคนหนักกว่านั้นอีกบางคนเอาหนังสือมาอ่านหรือแม้กระทั่งพูดแข่งกับหลวงพ่อเวลาจารย์เทศเนี่ยอันนี้จิตระลับจิตหยาบมากซึ่งพวกนี้ปวดไม่ขึ้นซึ่งบัณฑิตก็ควรจะตั้งใจฟังทาเคารพในธรรมแล้วก็บุญข้อที่เก้าธรรมธมเทศนาใหมา่ข้อนี้ก็สำคัญข้อนี้ไม่ได้หมายถึงว่าพระต้องเปไฝ่ายเทศน์โยมฟังนะโยมก็ไปพูดให้เอยู่ฟังได้อย่างไม่ชี หรือโยมที่เข้ามาวัดานานเนี่ยเราสามารถชี้แนะคนที่เข้ามาใหม่ได้แนะนำอาจารย์แนะนำวัดแนะนาคำสอนที่ถูกต้องบอกบางทีก็ชี Net, ้แนะหนังสือธรรมะให้แผ่นซีดีอันนี้ก็สงเพราะอยู่ในหมวดนี้หมวดปวดให้ใ ห, ให้ให้ทำเนี่ยหมวดเทศเหมือนกันอย่างถ้าเป็นพระพรที่เทศก็มีที่สงฆ์ห้าอย่างเหมือนกันคือหนึ่ง พระองค์รำมักระถึกเนี่ยจะต้องมีห้าประการที่ต้องทำเลยคือหนึ่งจะต้องพูดไปรัดตัดความให้คนฟังเข้าใจข้อที่สองต้องชี้แจงเหตุผลให้คนฟังเข้าใจคือทําให้คนเข้าใจง่ายใช้ภาษาที่แบบร่วมสมัยคือสามารถต่อบอันติสีสารคนฟังและผู้พูดแล้วข้อที่สามตั้งจิตเมตตาปัดระหายนัผู้ฟังเนี่ยได้เกิดประโยชน์ผู้พูดต้องตั้งจิตเมตตาด้วยนะผู้ฟังได้ประโยชน์ เราจะหาเรื่องดีๆมาพูดข้อที่สี่ผู้พูดเนี่ยจะต้องไม่หวังราบสกักกะละคือไม่ได้พูดแบบรับจ้างประเทศต้องทำํำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่สนใจราสกรักกะละไม่ใช่กับประหารับจ้างเราทำํำด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าเราบริสุทธิ์ใจผูพ้พูดก็ได้อันนี้สงด้วยแล้วก็ข้อที่ห้าเนี่ยไม่พูดเหน็บแนงตัวเอง แล้วก็ไปกระทบผู้อื่นอันนี้เป็นจรรยาบรนของนักเทศเลยไม่ควรทําทายผู้อื่นเสียหายว่าเราพูดเนี่ยนักเทศที่ดีจะต้องรักษากฎห้าข้อนี้ไว้การพูดก็จะให้โยมได้ประโยชน์ด้วยผู้พูดก็ได้ประโยชน์ด้วยประโยชน์ต้องสองฝ่ายประโยชน์ตนมีกับท่านแล้วก็ข้อที่สิบที่ถูกชุกกรรมการทำความเห็นให้ตรงซึ่งข้อนี้ข้อนี้สําคัญนะฮะเพราะคนเราเนี่ย โดยธรรมชาติแล้วมักจะมองโลกในแง่ร้ายหรือทางลบไอเ้เรื่องดีๆไม่ค่อยจําหรอกอย่างใครมาด่าเราเดี๋ยวเราจําไม่ลืมเลยบางทีคนคนเดียวก็เลยชมเราชมแล้วชมอีกเดี๋ยวก็ลืมละคือชมสิบครั้งเนี่ยพอผู้ผิดถูกครั้งเดียวเลยลืมหรือไม่ลงเลยความดีที่ทํามาหายหมดหรือบางทีเขาให้เงินเราเราก็ไม่จําหรอกแต่เราไปจําตอนที่เขามายืมเงินเราเนี่ยอันนี้จําไม่ลืมเลย แล้วก็ตอนเวลาที่เราไม่ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงเราก็ไม่สนใจแต่เวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยเราจำและเพราะจิตของคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติที่ไม่ฝึกนะมันจะโน้มนำไปทางลบชีวิตคนเราจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่กินความสุขเราไเยอะนะแต่คนเราเนี่ยมองข้ามมันไปเกาะอารมณ์ที่ลบเคยทำให้ตัวเองต้องทุกข์ถ้าเราไม่เรียนธรรมะบางทีเราไม่รู้เรื่องเลยบางทีบางทีเราสุขทั้งวันเนี่ยไปเจอความทุกข์ก็ชุดเดียวแหละ ไปเลยบางทีมีความสุขทั้งวันเนี่ยเจอคุณพูดผิดหูคําเดียวแหละวันนั้นโมคะเลยแต่ถ้าเราวางใจเป็นนะมันก็กลายปเป็นเรื่องเล็กๆไปเราก็สามารถเสพความสุขที่เราได้ไประจำวันเนี่ยจากสิบเรื่องเราได้กับอาจจะเสียสักเรื่องสองเรื่องสำหรับขัดใจมัง่งเรื่องขัดใจก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะคนเราอยู่ใต้โลกธรรมมันไม่มีอะไรที่เราได้ลังใจหรอกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าเราเข้าใจโลกธรรมนะมีลาบเสือเส่อมลาบมียศเสื่อมยศ มีสุขมีทุกข์มีสรรเสรยิยมีนินทางเราก็ไม่เหลืองเราก็รับได้ตอนเราอยู่ฝ่ายลบอยู่ฝ่ายบวกเราก็ไม่ดีใจเกินไปแต่ถ้าเราเป็นคนเส้นตื้นใครพูดอะไรเดือดก็ขำเนี่ยหรือดีใจแบบเรื่องไม่ได้ดีใจเราก็ดีใจในเวลาเกิดเกิดเรื่องเสียใจยขึ้นมาเราจสียใจรุนแรงมากเลยเพราะจิตมันจะเวียงซ้ายเวียงขวาคือเสียความปกติมาสังเกตนะผูดาา้ด่าหนังเนี่ย ซึ่งมีการปุงแต่งรุนแรงเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยจะรุนแรงกว่คนธรรมดาซึ่งนักปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะคนนี้รู้อารมณ์แต่ถ้าเป็นพวกทั่วไปเนี่ยจะไม่รู้อารมณ์เวลาเกิดอะไรขึ้นมานจะถือเป็นเรื่องใหญ่เล้ใหญ่มากบางทีเถือกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนฆ่าตัวตายก็มีทั้งที่เรื่องเล็กๆไม่เป็นเรื่องอ่นเราต้อง ama, เรียนธรรมะเรียนธรรมะแล้วก็ต้องเรียนอย่างเดียวไม่พอเราต้องปฏิบัติ ด, ด้วย ปฏิบัติธรรมเจริญสติเพราะถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวเวลาเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ติดอารมณ์ได้ไม่นานคือคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ติดแต่ถ้าคนไม่เรียนธรรมะไม่ปฏิบัติคิดเท่าไหร่ก็ติดนะติดทุกความคิดอะติดหนึบเลยออกไม่ได้คือเรื่องดีไม่ดีเราคิดเราก็ผ่านคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ติดอันนี้เราก็จะไม่ค่อยทุกข์าไหลยปัญหาน้อย เราอันนี้เราเช็คได้นะฮะแต่คิดคิดแล้วติดเนี่ยมีปัญหาและวเขาเลียกวติดอารมณ์คิดเท่าไหร่ก็ติดติดซ้ายติดขวาติดนู่นติดนี่ออกไม่ได้ชีวิตจะเต็มไปด้วยปัญหาถ้าเราไม่ติดอารมณ์ทุกเรื่องก็คือเรื่องเล็กเรารับได้หมดเรื่องไม่ดีเราก็รับได้เรื่องดีแล้วก็ไม่ดีใจจนเหลิงคือไม่ฟูๆแบบหลวงพ่อพุทธทาสเปรียบเปรียบว่าการทําบุญเนี่ย มีสามแบบแบบแรกทำบุญเหมือนกับเอาน้ําโคนมาอาบคือทําบุญบางครั้งก็อย่างชาวบ้านเนี่ยบางทีจัดงานบุญขึ้นมาครั้งบางทีก็ฆ่าบัวฆ่าควายฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่เอามาเลี้ยงฉลองกินเหล้าเมายากันแล้วก็บางทีก็ทะเลาะ ก, กันฆ่ากันตายก็มีแล้วเขาก็บอกไปงานบุญซึ่งบุญประเภทนี้ไม่ใช่เพราะบางทีเราไปฆ่าสัตว์แล้วมาถวายพระ เราต้องรับบาปนั้นด้วยคือเป็นบุญที่ไม่บริสุทธิ์ก็เปรียบเหมือนกับว่าอาบน้ําเอาคนอาบน้ําอะซึ่งก็สกปรกคือบุญที่ถูกที่บริสุทธิ์เนี่ยเราต้องทรัพย์สิน ต, ต้องหามาโดยชอบไม่ใช่ไปขายยาบ้าหรือขายยาเสพติดมาแล้วว่ากลัวบาปมาทําบุญอันนี้ก็เป็นบุญแบบได้กับเล็กๆน้อยเป็นบุญที่เปืเป่อยๆแล้วก็บุญแล้วข้อสองก็การทําบุญเหมือนกับ อาบน้ําด้วยน้ําหอมคือบางคนเนี่ยทําบุญหวังสวรรค์หวังวิมานบางคนก็ทําบุญสิบบาทขอสอู่รถจักรยานวันที่หนึ่งคือเรียกร้องบุญเกินฟา้าเป็นจริงคือทําด้วยความโลภแล้วก็หวังผลที่แน่นอนอาทีถวายของให้พระเนี่ยอธิษฐานแล้วอธิฐานอีกซึ่งบุญบญในประเทศนี้นะก็ เ, เป็นไปเพื่อความเห็นแก่ตัวซึ่ง เป็นการทำที่แบบมีกิเลสแฝงอยู่ก็ไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่เหมือนกับลาน้ําหอมอะ่ะมาล้างมีกินหอมบ้างก็ไม่ไม่สะอาดอะ่ะแล้วก็แบบที่สามทำบุญแบบอาบน้ำบริสุทธิ์ก็คือทําบุญแบบลดความเห็นแก่ตัวทําบุญโดยที่ว่าเราไม่ได้หวังอะไรไม่ระหวังให้ใครมาชื่นชมเราไม่ระหวังชื่อเสียงทําด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังผลตอบแทน อย่างเราปล่อยสัตว์เนี่ยเราก็ไม่ได้หวังบุญจากสัตว์นะบางทีก็เราช่วยเขาให้มีความสุขเฉยๆช่วยเพื่อนรวมโลกเราไม่ได้หวังบุญจากเขาบาที่เราปล่อยเ ข, เขาให้เขามีชีวิตรอดไปเขามีความสุขไม่ถูกคนไปฆ่าไม่ต้องรับความทุกข์ทรมานถ้าเราทําบ่อยๆเป็นนิสยัยอันนี้ก็ได้บุญมากหรือช่วยคนที่เดือดร้อนโดยไม่หวังผลตอบแทน ทำบุญให้กับพระไม่เจาะจงแต่ว่าจะต้องถวายพระอรหันต์เท่านั้นซึ่งบางคนเข้าใจตัวนี้ผิดเจาะจงว่าต้องถวายครูบาอาจารย์ที่หน้าเคารพรูปเดียวเท่านั้นลูกอื่นเราไม่ถวายพระกะเรวก ร, ราชบูริชนเราอย่ากถวายเลยถ้าคิดอย่างนี้นะเราไม่ได้บุญเท่าไหร่หรอกพระพุทธเจ้าบอกบุญที่มีอนิสงส์งมากคือถวายหมู่สงฆ์หมู่สงฆ์เนี่ยพระสี่รูปขึ้นไปซึ่งคนไม่รู้ตัวนี้เยอะจ้องจะถวายพระอริยะบุคคลคนเดียว ซึ่งบุญอันนี้มีคุณเป็นบุญที่ว่าได้ผลน้อยไม่ค่อยบริสุทธ์เท่าไหร่ซึ่งถ้าเราถาวายหมู่สงฆ์ปุ๊บเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานไปเลยให้หมู่สงฆ์ได้ใช้ของเราเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนเนี่ยนี้บุญใหญ่อันนี้ได้บุญมากระวังจิตเป็นนะเราไม่หวังผลตอบแทนด้วยทําบุญด้วยความลดความเห็นแก่ตัวสละตัวกูของกูออกไม่หวังผลว่าจะทําเสร็จแล้วจะไปสวรรค์ ไม่หวังผลว่าใครจะชื่นชมเราอันนี้บริสุทธิ์ใจจริงๆอันนี้จะได้บุญมากเหมือนอาบน้ําบริสุทธิ์ซึ่งหลวงพ่อพุทธทาสก็บอกไว้ซึ่งก็มีเหตุผลพอสมควรซึ่งบุญทั่วไปที่เราทําเนี่ยผู้ช่วยทั่วไปก็จะทําบุญแบบหวงังความสุขเฉพาะหน้าคืออาจจะทําแบบเห็นแค่ตัวแต่ถ้ายกระดับขึ้นมาเนี่ยเราก็เลื่อนชั้นเราก็มาทําบุญเพื่อพัฒนาจิต เราเลื่อนชั้นนี้ขึ้นไปเราก็ทําบุญเพื่อพัฒนาสติปัญญาซึ่งคนเราสามารถพัฒนาได้แต่ถ้าเราไม่เรียนรู้เราจะไม่พัฒนาเลยเพราะเราไม่คิดว่าจะมีการพัฒนาอย่างพระพุทธเจ้าก็บอกในในบา ร, รมชิตที่ควรพิจารณาเร่องเนืองเนี่ยข้อที่สามว่าทํามเราไม่ได้มีอยู่แค่นี้นะมีะมยิ่งกว่านี้ธารมะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีสูงขึ้นเรื่อยๆมีการเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆ แต่เราไม่เรียนรู้อะไรเราก็รู้แค่นั้นประโยชน์ก็น้อยคือพระพุทธศาสนาสอนให้คนเราเนี่ยทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วก็ออกจากกองทุกข์ให้ได้อนา้ก็ใช้เวลามาพอสมควรเดี๋ยวปิดท้ายด้วยกนของหลวงพธธ่อพุทธทาุกรดับไม่เหลือซึ่งกอนนี้บางคนอาจจะภาวนาไม่ถึงแต่ถ้าลูกไว้ก็ดีกว่าไม่รู้คือว่าอาจจะใช้ได้ตอนแบบจะตายหยับฉับพันเนี่ย ถ้าฟุกตกกระไดพอโจรอาจจะรอดได้นะถ้าเกิดฟุกฟุกอ่ะดีก็ไม่รู้เลยคนเราย่อมมีทางรอดนิดหน่อยก็ยังดีแต่ให้ชัวร์ภาวนาดีกว่าเ พ, พราะภาวนาเรื่อยๆเนี่ยมันคงกว่าก่อนนี้หลวงพระพุท ธ, ธาแต่งไว้ก่อนผู้ดับไม่เหลืออย่าเข้าใจไปว่าต้องเรียนมากปฏิบัติมากจึงพ้นได้ ถ้ารู้ความจริงสิ่งเดียวก็ง่ายได้รู้ดับให้ไม่มีเหลือเชื่อก็ลองเมื่อเจ็บไข้ความตายจะมาถึงอย่าพั้นพึงหวัดไหวให้หมนมองระวังให้ดีๆนาทีทองคอยจดจ้องให้ตรงจุดหลุดได้ทันถึงนาทีสุดท้ายอย่าให้พลาดตั้งสติไม่ประมาทเพื่อดับขันด้วยจิตว่างปล่อยวางทุกสิ่งอัน สารพันไม่ยึดครองเป็นของเราตกกระไดพลอยกระโจนให้ดีๆจะถึงที่มุ่งหมายได้ง่ายเข้าสมัครใจดับไม่เหลือเมื่อไม่เอาก็ดับเราดับตนโดนิพานขอฟวาสุขความเจริญจงมีแก่ญาติโยมทุกท่าน